ต่ อ, อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่2มกราคม2548ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาปัตนี้ จเจริญธรรมสำนึกดีปีใหม่ทุกคนก็ปีใหม่นะส่วนใหญ่เราก็ใช้เป็นอะไระเป็นนิมิตหรือว่าใช้เป็นเครื่องหมายที่ให้เรารู้ว่าเออวันเวลามันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้จักใช้สถานการณ์ให้เป็นเราก็จะใช้โอกาสพวกเนี้ยนะมา ปลูกมาปั้นมาแต่งใจของเรานะให้มีความขวนขวายให้มีความพยายามให้มีความเพียรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นนะเราก็อาศัยวันเวลาของชีวิตเหล่านี้แหละยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้นะเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะจากปี2อ4 7นาี ดีมาขึ้น2548จากอะไรจากวอกใช่ไหมจากลิงใช่ไหมก็มาละกาก็มาไก่ก็ไม่รู้นะลิงก็ซนมากอยู่แล้วนะไก่นี่ก็จะบินไปไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไก่นี่ก็หวังว่าคงไม่มาซ้ำํำไข่วัด น, นกอีกนะไข่วัด น, นกปรากฏว่าไก่ที่โดนอะไรอะ่ะ โรคนะนะแล้วก็เขาก็ป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกออกไปเท่าที่ดูข่าวมานี่ร่วมหลายๆประเทศเนี่ยเขาบอกว่าร่วมร2อยยี่สิบล้านตัวได้ที่ต้องโดนฆ่าไปเมื่อปีที่แล้วนันะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ มีแต่ความสุขมันมีทุกข์อยู่ด้วยซึ่งในหลวงท่านก็ตัดไม่รู้ว่าใครได้ฟังบ้างไหมนะท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เคยตรัดมาแล้วนะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความสุขนะมันมีความทุกข์อยู่ด้วยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์นั่นแหละมากสุขนั่นแหละน้อยยิ่งถ้าเราศึกษาธรรมะเราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราก็จะรู้เลยว่าเออจริงๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้อริยสัจ ต, ตัวที่หนึ่งที่ท่านตรัสรู้ก็รู้เรื่องของทุกข์ว่าเออชีวิตของเราจริงๆเนี่ยทุกข์มันมากจริงๆนะส่วนที่เราจะอยากจะมีความสุขในชีวิตเนี่ยก็คือทําทุกข์ที่เรามีอยู่เนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันทําทุกข์ให้มันคลายออกไปพยายามให้มันลดออกไป นะ่ละออกไปเลิกออกไปให้ได้ทุกนี้มีทั้งทุกในทางธรรมชาติแล้วก็ทุกทั้งเพราะกิเลสเราเองนะ่าสองอย่างใหญ่ใญ่ทุกเพราะธรรมชาติก็อย่างเช่นหิวก็ทุกอืเกิดแก่เจ็บตายอ้าวทุกเป็นหนี้เขาทุกนะ่แต่ถ้าคราวนี้ทุกเพราะกิเลส เอาลนะทุกพระกิเลสเนี่ยเพราะอยากได้อันนั้นอยากได้อนนไอ้นี้นะไปติดไปรักไปหลงไอ้ น, นั่นไอ้นี่แล้วก็ไม่ได้หรือรักมากห่วงมากแต่ต้องพัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์อีกสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยคราวนี้เริ่มมาเป็นพะกิเลสเราละซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละพูะเจ้าท่านจะมาเน้นตรงนี้ว่าต้องฝึกทาใจกันละ ส่วนที่มันทุกข์เพราะธรรมชาติซึ่งมันเลี่ยงไม่พ้นมันหนีไม่พ้นนะทุกคนก็ต้องมีต้องเจออันนี้เราต้องฝึกละแม้ในทางธรรมชาติก็ตามนะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปรากฏว่าจากเกิดจากอะไระเขาเรียกว่าแผ่นดินมันสุดตัวนะเกิดจากแผ่นดินนะเพราะแผ่นดินสุดแผ่นดินใต้ใต้ทะเล สุดสุดเสร็จก็ทำให้เกิดคลื่นแล้วคลื่นในทะเลนี่ก็พอเกิดขึ้นมาไม่ใช่คลื่นเพราะพายุแต่เป็นคลื่นเพราะแผ่นดินใต้ทะเลเนี่ยมันสุดเพราะคลื่นเนี่ยเขาบอกว่าความเร็วความแรงของมันถ้าเกิดรุนแรงความเร็วสามารถที่จะเกิดได้ถึงเจ0ดร้อยนะจนถึงหนึ่งพันไม่ใช่แค่ ตอนที่เกิดซูนามิที่ในไทยเนี่ยเขาบอกประมาณ500ร้อยหรอยกิโเมตรต่อชั่วโมงแต่จากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถเกิดได้ความเร็วความแรงของมันเนี่ยเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันกิโเมตรต่อชั่วโมงเพราะมันเร็วมากแล้วก็รุนแรงมากซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาตินะมันเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วปรากฏว่าอา้าวกร น, นี้ คนตายคนบาดเจ็บนะคนบาดเจ็บนี่เยอะมากเลยนะแต่เอาแค่ว่าคนตายก่อนคนตายนี่เขาประเมินประมาณไว้ว่ารวมๆตอนนี้ทุกๆประเทศที่โดนคาดว่านะรวมแล้วจะประมาณสองแสนคนคิดดูเอานะว่าจํานวนมหาศาลขนาดไหนเสร็จแล้วจากจํานวนคนตายเนี่ย เอาแค่ที่ประเทศไทยนี่ตอนนี้ประมาณห้าพันหะ้าพันศพนะห้าพันนี่หมายถึงที่พบศพแต่ที่สูญหายอีกห0พันกว่าวันถ้าโดยประมาณเขาก็ประมาณว่าก็คงจะเป็นหมื่นแล้วตอนนี้เหตุที่สำคัญที่สุดนะเรื่องของการช่วยเหลือ ที่เขาบอกส่งข้าวของอะไรต่ออะไรกันไปช่วยเนี่นะเขาบอกตอนนี้ขา้ขาวข้าวของส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะระ ง, งับระ ง, งับกันแล้วจากหลายที่หลายๆแห่งซึ่งเขาปกติเขารับบริจาคอยู่แต่ตอนนี้เขาค่อนข้างจะขอ ง, งนงดกันแล้วที่เขาต้องการคือตอนนี้เป็นของที่จำเป็นจริงๆนะอย่างเช่นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปช่วยค้นหาศพ เก็บศพผ้าที่จะใช้ทำอะไรอะบาดเจ็บหรือว่าห่อศพน่นจะโรงศพหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ที่จำเป็นอันนี้ที่สำคัญอยู่ในตอนนี้และที่สำคัญที่สุดก็ได้ยินคุณสุดารัตรัฐมนตตีสาธารณสุขเขาบอกตอนนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ ก็พอช่วยกันไปได้พอสมควรแล้วแต่ที่ตอนนี้ต้องการจริงๆคือกำลังใจที่จะไปช่วยให้กับผู้เจ็บผู้ป่วยเนี่ยที่จะทำให้เขาเรียกว่าฟื้นฟูนฟนจิตใจเพราะปรากฏว่าบางคนนี่ยังช็อกอยู่เลยที่จะมาดูข่าวเนี่ยนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเขาค้นพบเด็ก เด็กหลายคนนะที่ปรากฏว่ารอดตายทั้งเด็กของชาวต่างประเทศทั้งเด็กของไทยก็ตามอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยรอดตายนี่ไปติดอยู่ที่บนต้นไม้กว่าทางการจะไปช่วยได้ก็สองสมวันหลังจากที่เหตุการณ์เกิดคลื่นสึนามิหรือบางคนนี่อะไรอะไปลอยคออยู่กลางทะเลอันนี้พูดถึงเด็กก่อน ไปลอยคออยู่กลางทะเลอยู่สองสามวันนะีะมีต้นไม้เป็นเพื่อนคือคือเกาะต้นไม้ไปเลยรอดไม่ได้กินอะไรเลยนะไอ้สองสาวันเนี่ยก็คือลอยอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนเรียกว่าคนไปพบไปเจอได้ถึงช่วยนั้นเนี่ยวันเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วก็ทุกท้งนั้นนะ่ะลำบากหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเขาบอกว่าปรากฏมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟัง ว่าพอดีวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่รู้นึกยังไงแล้วนะเขาก็ปรากฏว่านึกถึงวัดนึกถึงความสงบมันอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมานะก็เลยบอกวันนั้นก็เลยไอ้ช่วงเช้านั้นนะ่ะที่จะเกิดขึ้นก็เลยไปนอนที่วัดทั้งๆ ท, ท, ที่ปกติต้องไปทำงานต้องไปทำงานที่ริมเทะเลนะปรากฏว่าก็เลยไปนอนที่วัดไปนอนเลยกอนอนสบายเลยนะแล้วก็อาจจะไป ทำอะไรอ่ะไปหาความสงบที se, ああ posture, identify, re, de, okay. ่วัดอ่ะนะเสร็จแล้วก็เอาได้พักได้อะไรไปสบายจนกระทั่งอได้หลับไปได้ซำไปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อยู่ดีดีคนก็มาบอกบอกโอ้โหตอนนี้ภัยใหญ่แล้วนะเกิดไอ้นูนไอ้นี่ตายันเกลือนเลยนะเขาบอกถึงได้รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วถึงจะกลับไปที่เขาทํางานเขาบอกกลับไปนี่โอ้โหแทบไม่เหลืออะไรเลยมันเลียบไปหมดเลย พอขึ้นมาเนี่ยมันกวาดหมดเลยเหมือนชาวประมงกบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาหลอดมาได้นี่นะแต่ปรากฏว่าที่บ้านเขาเนี่ยเขากลับมาหาบ้านไม่เจอคือบ้านไม่รู้หายไปไหนเลยบ้านทั้งหลังอะ่ะแล้วเขาก็มีลูกมีเมียมีม้า ม, ม, ม, มีอะไระนะที่บ้านปรากฏว่าไม่เหลือเลยแม้แต่สักอย่าง สมบัติเข้าของอะไรต่างก็ไม่เหลือผร้หลังบางคนเขาก็เล่าเขาก็บอกเนี่ยไปดำน้ําอยู่อะปรากฏว่าดำน้ํานี่ก็หมุนเหมือนอย่างกับอยู่ในออะไรนะที่ซักผ้าที่ซักผ้าเอาผ้าเข้าไปใช่ไหมไเครื่องซักผ้ามันมันจะหมุนใช่ไหมน้ำมันจะหมุนก็บอกดำน้ําอยู่ก็เอ๊ะทําไมมันหมุนไปหมุนมานะแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะรอดตายเพราะว่า อยู่ในน้ำบริเวณนั้นนะ่ะมันไม่แรงเท่าที่อยู่บนบกเพราะถ้ายิ่งอยู่ห่างฝังนะโอกาสคลื่นก็เล็กหน่อยยิ่งถ้าคลื่นเข้ามาใกล้ฝังคลื่นก็จะยิ่งสูงแล้วก็จะยิ่งแรงยิ่งถ้าเป็นชายฝังที่ที่รา บ, าบเรียบเรียบเนี่ยคลื่นก็จะยิ่งสูงมันปรากฏว่าฝรั่งคนนี้เขาก็บอกว่าพอเขา โผล่ขึ้นมาได้นะมีคนมาช่วยขึ้นเรือได้กลับมาที่โรงแรมที่เขาพักบอกโอ้โหโรงแรมพังพินาศหมดเลยไอ้ข้าวของอะไรที่เขามีอยู่นี่ก็แบบไม่เหลือเลยก็เหลือแต่ชุดว่ายน้ําเขาเท่านั้นเองมีอยู่ชุดเดียวแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็ปรปากฏว่าโดยเฉพาะช่วกพวกที่ต่างประเทศนี่เขา รู้สึกประทับใจนะเพราะว่าท่ามกลางแม้แต่ตอนนี้ศพก็อะไรอะโดนคลื่นซัดขึ้นมาเกยอยู่ตามชายฝั่งเนี่ยเต็มไปหมดนะเขาก็ช่วยกันเก็บช่วยกันมาห่อศพนะท่ามกลางภาพอันสลดขรตขูวัดรู้สึกจะสีวัดมึงที่พังงาที่อะไรพวกเนี้ย ไม่มีแทบจะไม่มีที่ทางให้เดินเลยเพราะว่าศพเนี่ยเอาไปเรียงลายเต็มไปหมดทั้งวัดเลยแล้วคิดดูสิว่าศพของคนเราเนี่ยจริงๆคนเราเนี่ยนะถ้าพูดกันตามจริงๆของสภาพแล้วเนี่ยโอ้โหคนเรานี่อุดมไปด้วยโรคนะภายในร่างกายแล้วคนเราก็เป็น สัตว์โลกประเภทที่กินอะไรต่ออะไรเนี่ยสารพัดสาเ พ, าพมากกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นๆเลยด้วยซ้ํำไปสัตว์โลกชนิดอื่นๆอะสมมติบางทีช้างมมววัวควายใช่ไหมหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็กินเฉพาะอาหารของมันที่จะกินเท่านั้นนะมันไม่ซีซัวกินสักเท่าไหร่นนะเออมันกินหญ้าหรือว่าสัตว์ที่กินพืชเนี่ยมันก็กินพืชไม่กี่อย่างของมันเท่านั้นเอง อ้าวหรือคราวนี้ถ้าสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ที่กินเนื้อมันก็กินไม่ไม่กี่อย่างของมันนะนะมันก็กินของมันไปเพื่อประทังชีวิตสัตว์บางชนิดมันกินเข้าไปพอมันอิ่มมันก็หยุดกินนะก็เว้นไปอีกหลายวันถึงมาหากินทีแต่คนเราเนี่ยกินทุกวันแล้วก็กินนานาชนิดเลยคือกินสัตว์โลกอื่นนานาชนิดใช่ไหมนอนก็กินไส้เดือนก็จะส่งออกอยู่แล้ว กินแม้แต่ไส้เดือนเอากินตักกระแตนปลาปูกุ้งหอยกินหมดเลยสารพัดงูเงี้ยวเที่ยวตะขอไม่เหลือเลยนะสัตว์จำนวนมากต้องศูนย์พันเพราะคนกินนะนะไม่ใช่อะไรคิดดูเอาเพราะฉะนั้นขอคนตายเนี่ยนะเพราะหาคนกินมังสวิรัตมันมันยากใช่ไหมมันจำนวนน้อยเท่านั้นเยคนที่จะกินเฉพาะผื้ผักเนี่ยจานวนน้อยคนส่วนใหญ่กินสัตว์ เพราะฉะนั้นเมื่อกินสัตว์อื่นเนี่ยกินเยอะแยะเลยแล้วสัตว์อื่นๆมันก็มีโรคภัยมีอะไรของมันอยู่ด้วยวะะันปากฏว่าถ้าคนตายเนี่ยนะโอ้โหเหม็นมากๆเลยคุณเอ้ยอาตมาเนี่ยเคยแบบไปโรงพยาบาลเขานะคือบวชเนี่ยก็ต้องฝึก เ, เขาเรียกว่าฝึกไปปรงอสุภะฝึกไปดูพวกเข้าพาศ ฝึกไปดูพวกพวกว่า่ตับไตไส้พุงอะไรต่ออะไรมันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเอามาใช้ปรงในการปฏิบัติธรรมเคยเนี่ยไปสีราษก็ตามเคยไปโรงเย็นเขาก็เเรียกห้องเย็นเน่เขาก็ใส่ศพไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นช่องช่องช่องศพที่แช่เย็นก็ยังกลิ่นไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็ อยู่โรงพยาบาลเขายังฉีดยาบ้างใช่ไหมซึ่งศพเนี่ยจะฉีดยาได้เนี่ยต่อเมื่อเลือดมันไม่แข็งตัวแล้วนะถึงจะฉีดฟอร์มอลีนเข้าไปเนี่ยถึงจะรักษาศพได้ถ้าศพตายมาหลายวันแล้วเลือดแข็งหมดแล้วฉีดไม่เข้าแล้วคุณฉีดเข้าเนี่ยฉีดได้แต่ฉีดแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลออกมาเลยมันจะไม่ไม่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนะเนื่องะากนั้นเนี่ยยิ่งเนี่ย ผ่านเขาเรียกธรณีพิบัติภัยนะภัยภัยแบบเนี้ยถ้าหลายวันมาแล้วเนี่ยมันฉีดฟอร์มารีนไม่ได้แล้วมีแต่ต้องใช้แช่นั่นเองก็ต้องผสมฟอร์มารีแล้วก็เอาศพแช่เลยถึงพอจะดับกลิ่นได้แต่ปรากฏว่าเนี่ยกิ่นศพคนตายนี่นะที่ไม่สามารถรักษาได้เนี่ยใช้ฟอร์มารีไม่ได้เลไม ไ, ไม่ได้โอ้โหคุณเอ้ยเหม็นมากๆเลย อาตมาเนี่ยเคยไปดมศพที่มันตายแล้วก็เน่าเนี่ยอู้โหเคยได้กลิ่นศพอย่างที่ไปตลาดมั่งไปอะไรมั่งเลยนะไอ้ที่เขามีเนา่าเน่าเหม็นเหม็นมัง่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้ก็ว่ามันก็เหม็นแล้วนะแต่ได้กลิ่นศพคนนี่เหม็นกันอีกเยอะเลยคุณเหม็นมากๆดมไปเนี่ยอาตมาเคย เจอแล้วเคยดมเข้าไปเนี่ยโอ้ขนาดธรรมานะซึ่งซึ่งบวชแล้วนะแล้วก็พยายามฝึกปฏิบัตินะยังจําได้เลยว่าพดมเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โห อ, อ, อยากจะอาเจียนอยากจะอ้วกเลยนะบางทีจะต้องพยายามกั้นลมหายใจอะ่ะเพราะว่าพอมันดมเข้าไปเนี่ยมันก็จินตนาการมันก็ออกนะจินตนาการมันรู้สึกเหมือนตัวเราอะ่ะคือมันก็รู้สึกนึกถึงตัวเราเองเนี่ย ว่าโอ้โหเราเนี่มันจะเน่ามันจะเหม็ น, นขนาดนี้เชลล์คือก็พิจารณาไปอ่ะเ น, เนี่ยเป็นการพิจารณาหรือเราเรียกว่าปรุงสุภาษเพื่อที่จะได้ไม่มาติดไม่มาหลงในร่างกายตัวตนคนเรากันนักมันหนาจะได้ไม่มารักไม่มาหอบหวงอะไรกันมากจนเกินไปนะอันเนี้ยนะแต่ถ้าจะไม่ผิดตะกี้เพื่อนสมณนะท่านกระบอก พอท่านเคยแต่งเพลงว่าคนเน่าเป็นเหม็นกว่าคนเน่าตายสิอีกคนเน่าตายนี่ก็ว่าเหม็นมากแล้วนะแต่คนเน่าเป็นเป็นเนี่ยเหม็นยิ่งกว่าคนเน่าตายสิไม่รู้เข้าใจไม่เนี่ยคนเน่าเป็นเป็นเนี่ยเหม็นกับคนเน่าตายตายเช่นยกตัวอย่างเนี่ยจากกรณีนี้แหละปรากฏว่า เขากำลังทุกข์เขากําลังโอ้โหขาดแคลนเขาก็ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมพี่น้องรวมชาติแม้เขาก็ช่วยกันอย่าว่าจะชาติไทยเลยนะชาติอื่นๆ น, นะอเมริกาเกาหลีอะไรทั้งยุโรปอะไรเขาก็ช่วยกันนะทั้งเงินทองทั้งข้าวของทั้งอะไรเขาก็ส่งมาช่วยกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนเน่าเป็นเนี่ยนะยังไป ขโมยของคนที่เขาสูญเสียแล้วเนี่ยคงจะได้ยินข่าวกันบ้างนะไปเที่ยวอะไรนะไปตามบ้านช่องที่เขาเจอภัยพวกเนี้ยเขาก็ไม่จะอยู่กันแล้วใช่ไหมไปทุบข้าวของไปคนตู้เซฟไปเอาของมีค่าไปขโมยเขาอีกไอ้นี่ก็เลวร้วายแล้วนะเสร็จแล้วก็ที่เขาได้รับการช่วยเหลือมานะพวกข้าวของอาหารการกิน หรือว่าเครื่องดึงห่มเสื้อผ้าอะไรต่างที่เขาได้มานี่ซึ่งเขาแทบไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเขาได้มานี่ครแค่มาอย่างชีพเท่านั้นเองปรากฏว่ามันก็ยังมีโจรไปป้นไปชิงข้าวของพวกนี้เขาอีกแล้วเขาบอกบางทีเอาไปซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยแล้วมันก็มีอาวุธมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะไปสู้ยังไงะก็สู้อะไรก็ไม่ได้มันก็เอาไปซึ่งซึ่งหน้าอย่างเงี้ย เนี่ยเนี่ยประเภทเนี่ยคือคนเน่าเป็น น, นมันเลวร้วายมันเน่าเหม็นยิ่งกว่าคนที่นอนตายอยู่ที่ชายหาดซะอีกน้าร้ายกว่า น, นั้นอีกก็ก็คือนั้นเนี่ยเขาพยายามช่วยเหลือกันใช่ไหมส่งเงินทองส่มข้าวของก็ไปหลอกเนี่ยหลอกว่าจะไปช่วยนั้ก็ไปรับบริจากที่ไหนได้ก็เอามาเป็นของตัวเอง ทั้งพวกโจรทั้งพวกขมโมยต่างๆแลลวเนี้นายโยก็ ว, วาไม่รู้กายฟังข่าวไหมล่ะนายโยกา ว, วาพวกโจรใต้อะที่สามจังหวัดภาคใต้ใตที่อะไรอ่ะยังฆ่ารายวันอยู่เลยบอกเนี่ยคนเาทุกข์เนเขามีปัญหาเขาก็เอาทั้งเจ้าหน้าที่เอาทั้งหมอพยาบาลอะไรก็ส่งไปช่วยนาจังหวัดที่เกิดภัยพิบัตินี่ใช่ไหม ไอ้กำลังทางรุ่นมันก็ลดลงไอ้โจรใต้าทางรุ่นก็จะฆ่าคนอีกน่ะระเบิดทั้งระเบิดทั้งฆ่าคนอีกนั่นนายกก็บอกว่าไม่พวกนี้ใจมันเลว้ายมากเลยนั่นก็ตําหนิก็ว่าไปบอกไม่ใช่เลวไล่ธรรมดาเนี่ยใจอย่างนี้ไม่ใช่ใจมนุษย์ละใจอย่างนี้มันใจแบบแบบเป็นเพศเป็นประเภทสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานต่างๆแล้วโอ้นายกก็กว่าหนักเลย ซึ่งจริงๆมันก็จริงนะสำนึกของคนเราเนี่ยเมื่อยามมันทุกข์มันเดือดร้อนแม้ว่าบางทีเราไม่สามารถไปช่วยโดยตัวกระตามใช่ไหมแต่ใจเราเนี่ยเราก็ยังสลดเลยบางทีแค่เห็นภาพข่าวแค่ลูกข่าวเงี้ยโอ้โหเราก็สลดทวดหูแล้วแค่สลดทวดหูเนี่ยบางทีเ่ยเออมันพอจะช่วยอะไรได้เราก็ยังพยายามจะมีใจที่จะช่วย แต่อันี้แทนที่จะมีใจอย่างนี้บ้างเนี่ยแสดงว่าไม่มีจิตสำนึกไม่มีคุณธรรมไม่มีความดีอะไรเลยอย่างงี้เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ร้ายในร่างคนพวกนี้แหละพวกเ ส, สว เ, เสือสมิงตัวจริงเนี่ยเสือสมิงตัวจริงเนี่ยเสือร้ายแต่มาอยู่ในร่างของคนเพราะฉะนั้น าจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะถ้าเราเองนะรู้จักที่จะอะไรอ่ะพิจารณารู้จักเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมว่าจริงจริงชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องเจอนะภัยวิบัติอะไรพวกนี้มันหนีไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าใครเจอแบบรุนแรงใครเจอแบบเบาเบาก็แล้วแต่ซึ่งแล้วเนี่ยแล้วแต่ วาสนาบารมีของคนที่สะสมมาเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่กําลังเกิดเหตุมีญาติธรรมเนี่ยเขาอยู่พังงานละพอดีเขาก็ขึ้นมากรุงเทพพอดีมาถึงกรุงเทพก็เป็นวันที่เกิดเหตุพอมาถึงปั๊บมาเจอธรรมาเขาก็มากราบบอกก็ก็รู้จักกันอยู่นะก็เลยมากราบ กราบเสร็จแล้วก็บอกว่าก็ขอลาเลยกราบแล้วก็ขอลาเลยเพราะปรากฏว่าแฟนเขาอยู่ที่ทางโน้นเขามีแฟนมีลูกสาวอยู่ทางโน้นด้วย้วบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์ทางไกลขึ้นมาบอกให้รีบกลับด่วนเลยนะทางโน้นกำลังเกิดเนี่ยภัยโอ้โหนะคือ น, น้าท่วมบอกให้รีบกลับมาด่วนแต่แฟนเขากับลูกสาวเนี่ยไม่เป็นอะไรปลอดภยัย ทั้งๆ ท, ที่ที่จริงเนี่ยไปทำงานอยู่อยู่โรงแรมอยู่ไอริมทะเลนั่นแหละไปขายของอยู่ริมชายหาดนั่นแหละแต่เนี่ยโชควาสนาอาจจะเพราะนะ่ะได้ทาบุญได้ปฏิบัติธรรมมันก็ได้นะปรากฏว่าวันนั้นนะ่ะก็ไม่รู้เพราะเหตุอะไรเหมือนกันก็เลยไม่ได้ไปทำงานบอกขอลาพักขอลาหยุดก็เลยไม่ได้ไปทาก็เลย อ, อภัยก็เลยไม่เจอไอ้คลื่นยักษ์อันนี้แต่พอมันเกิดแล้ว่ยเขาอยู่ที่บ้านซึ่งห่างจากไอ้ชายฝั่งมาแล้วเนี่ยพอรู้เหตุแล้วก็เลยรีบโทรมาบอกแฟนให้รีบกลับเพื่อที่จะไปค้นหาญาติญาติซึ่งอยู่ริมฝั่งอยู่ตามเกาะเนี่ยบอกว่าเนี่ยป่านี้ไม่รู้าหาเจอหรือเปล่า ะซึ่งอันนี้ถึงบอกว่าเออนะถ้าจะว่ากันไปคนที่สะสมบุญสะสมบารมีบุญก็มีจริงๆนะที่จะช่วยคุ้มครองช่วยทำให้ปลอดภัยได้เดี๋ยวทางพวกเราก็จะมีนะที่จะไปกันช่วงเมื่อกี้บันเตท่านก็บอกมานะคารวะาวันที่10นะสมณนาก็อาจจะวันที่11ที่จะไปช่วย วันช่วยคราวนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของกำลังใจเพราะปรากฏว่าบางคนเนี่ยช็อก a อฟสเตอร์ช็อกเหมือนกันอังกฤษเขาก็ออฟสเตอร์ก็คือออฟสเตอร์ช็อกเขาหลังจากการเกิดการสั่นของแผ่นดินไหวแล้วนะมันจะเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้นี่ออฟสเตอร์ชอคือหลังจากเกิดเหตุแล้วนี่จิตใจมันช็อกช็อกมันหมายถึงว่ามันมันอะไรอะ มีเด็กอะที่เขาช่วยมาได้เด็กคนนี้อายุประมาณสักสามสี่ขวบปรากฏว่าปากติเนี่ยคุยเก่งนะเป็นคนแจ่มใสล่าเริงเบิกบานปรากฏว่าพอหลังจากช่วยมาได้แล้วนี่เงียบก็ไม่ได้ร้องไห้นะนี่เนี่ ย, เ, ยเป็นอาการแบบช็อกเงียบถามคำนึงถชื่อตอบคำนึงทั้ ง, ท, งทั้งที่ปกติแล้วคุยเก่งมากล่าเริง แสดงว่ายังยังยั ง, ยงช็อกอยู่เลยยังตกตะลึงยังแบบว่างงงงอยู่เลยมาบางคนเนี่ยกลับมาถึงงงงงเอเอไอตรงนี้มันเคยเป็นบ้านเราตรงนี้มันเป็นอะไรไปแล้วเป็นชายหาดเฉยๆเหรอยั ง, งงงอยู่เลยบางคนคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับยอมรับความเป็นจริงยังไม่ได้เพราะว่าอะไรอะ่ะก็เคยมีความสุขใช่มเคยมีความ สบายหรือว่าเคยมีความอบอุ่นมีครอบครัวพร้อมหน้าอยู่ดีเหลือตัวคนเดียวเงี้ยบางคนเหลือกางเกงตัวเดียวเลยจริงๆเลยนะเพราะว่าลงไปไว่ายน้ำอยู่อย่างนี้ปาว่าขึ้นมาไม่เหลืออะไรเลยเงี้ยบ้านก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือคือไม่ไม่ทันเตรียมสติไม่ทำที่จะาตั้งหลักเอาไว้ u ดีสิ่งอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยมันแทบจะศูนย์ไปหมดนะศูนยเสียอะไรไปเกือบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนียเพราะฉะนั้นบางคนนี่ยังงงๆอยู่แต่บางคนไม่งงอะบางคนก็มีสติรู้ว่าความจริงอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับความจริงแต่ยอมรับความจริงแบบชนิดที่เรียกว่าเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ นะสามีอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนพ่อแม่อยู่ที่ไหนเสียใจเพราะการพราดพรากเนี่ยแหละข่าวนี้วันข่าวนี้นักปฏิบัติธรรมหรือคนที่มาศึกษาธรรมะจะต้องฝึกละเราคงเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนในเรื่องของอเทวทูตเขาเรียกว่าเทวทูตเนี่ยมาเตือนคนอยู่ทุกวันแต่คนเนี่ย ไม่ค่อยจะยอมรับแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้สึกในเรื่องของเทวทูตแม้ภัยครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นเทวทูตมาเตือนอเจ้าชายสิทธัตถ์เนี่ยนะท่านได้มีโอกาสออกจากวังเสร็จแล้วก็ไปพบเทวทูตใครจำได้ไหมมีเทวทูตอะไรบ้างที่มาเตือนนะ เราเรียกว่าเทวทูตสี่นะเทวทูตที่หนึ่งก็คือคนแก่เจ้าชายศิษถาไปเห็นคนแก่เขาโอ้โหทําไมแก่อย่างงี้เดินงอกเงืง่อนไม่มีเรี้ยว ไ, ไม่มีแรงอย่างนี้เหรอหลังโค้งอย่างนี้เหรอโอ้หน้าเหยียวย่นอย่างนี้หรือท่านเจออย่างนี้ท่านก็โอ้ถามนายฉช น, นะ น, น, นายชนะก็ตอบว่าอีกหน่อยพระ อ, องค์ก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยนี่คือความจริงเจ้าชายศรษฎาฟังแล้วว่าอะไรอีกหน่อยเราต้องแก่อย่างนี้เหรอโอ้โหแค่นั้นนะ่ะท่านรู้สึกแล้วอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเทวทูตมาเตือนแล้วท่านรู้สึกท่านก็ไปคิดเลยนะไปพิจารณาเลยนะโอ้โหถ้าแก่อย่างนี้มันทุกข์นะถ้าแก่อย่างนี้มันทุกข์